อนาปติวานภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 1,157 1. หนึ่งิภิกษุณีผู้ไม่บวชให้ในเมื่อมีอันตรายสองภิกษุณีสแสวงหาแล้วแต่ไม่ได้ 3. ภิกษุณีผู้เป็นไข้ 4. ภิกษุณีผู้มีเหตุขัดข้อง 5. ภิกษุณีวิกลจริต 6. ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่8จบ